ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไอโศกมาพ บ, บท่านฟังทางสถานีวิดิวแห่งนี้อยู่เป็นประจำเพื่อให้มีความต่อเนื่องในรองค์การฝั่งธรรมะซึ่งเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้นาเรื่องของท่านพระจุลปันทุกที่ท่านมีพี่ชายชื่อว่ามหาปันทุกมาให้ท่านบวชได้ฟังกัน ตบตวนกันอีกเส้นนิดหนึ่งท่านฟังเรื่องของท่านพระจุลปันทกที่ท่านโดยมีพี่ชายพระหมหาปันทกเนี่ยชักชวนมาให้บวชแล้วทำความเข้าใจในธรรมะจำพุทธพจน์แม้แค่สั้นๆ ส, สองสามประโยคเนี่ยก็จำไม่ได้ทำให้พี่ชายไล่หนีอีตอนที่ไล่หนีแล้วก็มีความน้อยใจคิดว่าจะไปศึกขาลาเพศจะบันปชิต แต่พระพุทธเจ้าก็มาเป็นที่พึ่งให้ตรงนี้มีประเด็นนิดหนึ่งท่านฟังที่ว่าท่านพระมหาปันโทกเนี่ยที่ว่าบวชมาแล้วปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอระหันต์มีความดีความงามก็เลยชักชวนน้องชายมาบวชเอาทีนี้พอเห็นว่าน้องชายไม่ได้เรื่องทําไมไล่หนีพิสูจนบางส่วนเขาก็มีความงงกาลว่ำสงสัย ทำไมเป็นพระอาหารหันยังมีความคิดแบบนี้ก็มีเรื่องราวที่มาแก้ตรงนี้ท่านผฟังเรื่องของท่านพระมหาบันกทกเถระเป็นพี่ชายที่ว่าท่านไล่พระน้องชายหนีเนี่ยจริงๆเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ขยายความมาไว้เรามาฟังเรื่องของพระมหาบันทกที่จิตใจของท่านนั้นไม่ได้ไม่ได้มีราคะโสะาโมหะหลอกในการที่ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับรองเอาไปท่าฟัง เราฟังเรื่องของท่านพระมหาปันตกเทระธรรมบทแปลเรื่องพระมหาปันตกเทระภาคที่8เรื่องที่287รสดพระศาสดาประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงรรบารมีพระมหาปันตกเทระพระธรรมเทศนานิว่ายาสราโคจะโทโสะ มานมัคโขจะปาติโตสาสะโปริวอารคาตะมะหังปรุมิปรามณังแปลว่าราคะโทสะมานะและมะคคะอนผู้ใดให้ตกไปแล้วเหมือนเมล็ดพันพุ์ผกาศตกไปจากปลายเหล็กแหลมฉะนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปรามความพิสดารว่า อันพระมาบรรดกนั้นกับไล่พระจุลบันโผู้ท่องคาถาเดียวายในสี่เดือนก็ไม่ได้กับไล่ออกจากวิหารโดยพูดว่าเธอไม่เหมาะจะอยู่ในพระศาสนาทั้งเป็นผู้เสื่อมแล้วจากโภคะของกระรหัดป่วยการที่เธอจะอยู่ในวิหารนี้จงออกไปจากที่นี้จึงจุดออกจากวิหารแล้วปิดประตู ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าทน้ำผู้เมีอยอยู่ทั้งหลายพระหมาปันตกช่างทําได้เช้รอยพระขี่นาศพก็บันดาลโทสะได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเนอะก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นราบทูลให้สงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายมีรากะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีนาศทั้งหลายแต่บุตรของเราทำเช่นนั้นเพราะเล็งเห็นประโยชน์ภายหน้าและเพราะเป็นผู้เห็นแก่กรรมแล้วจึงได้ตรัสพระคตานิว่าผู้ใดทำราคะโทสะมานะและมักขะให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์กกาศตกไปจากปลายเหล็กแหลม เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นบรมบาลีว่ายะัสะราโคจะโทโศจะมาโนโมะโคจะปาติโตสาสะโปริวะอารักาตามะหังปรูมิปรามะหนังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอารักาแปลว่าจากปลายเหล็กแหลมเป็นต้น หมายความว่ากิเลสมีราคะเป็นต้นเหล่านั้นและมรรคมีการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะนี้อันผู้ใดให้ตกไปแล้วเหมือนเมล็ดพันธุ์ปากกาตกไปจากปลายเหล็กแหลมกิเลสเหล่านั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ในจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ปากกาติดค้างอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมไม่ได้ฉะนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปราม ในเวลาจบเทศนาคนจานวนมากได้บรรลุโซดาปฏิปลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระมหาปันโทเรระจบในเรื่องนี้ก็คือว่าท่านก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะลบหลู่ใกลที่ทำไปอย่างนั้นที่นี้การที่ท่านพระจุลปันถกพระน้องชายมีปัญญาน้อยไม่สามารถเรียนคาถาได้ในช่วงที่บวชแรก จกนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องมาให้กับประธานในเรื่องของผ้าเช็ดทุลีจกนกระทั่งมีที่พึ่งของตัวเองบรรลุธรรมมีปัญญาขั้นต่างๆขึ้นมาในอดีตท่านก็มีปัญหานี้เหมือนกันแต่ปัญหาที่คิดอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ก็มีพระพุทธเจ้าช่วยในสมัยอดีตนู่นทีนี้คนเราก็ไม่ได้โง่ามาตลอดการตอนที่ฉลาดก็มีแต่ในเรื่องนี้พระพเจ้าได้นำสองเรื่องต่อกัน จากนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของการที่ในดิตการพระจุลปันโทกเนี่ยปัญญาไม่ดีเนจำอะไรก็ไม่ได้นี่ก็เรื่องหนึ่งอดีตไปอีกเรื่องหนึ่งท่านกับฉลาดหลักแหลมรู้จักในการที่จะทำหมากินเอาตัวรอดได้เนคนเราไม่ได้ว่าโง่ตลอดชี้ฉลาดก็มีที่โง่ก็มีตัวอย่างของเรื่องนี้เป็นต้นเรามาฟังเรื่องในอดีตชาติของท่านพระ จุลปบรรกเทระในอดีตการมานพชาวกรุงปารานสีคนหนึ่งไปยังกรุงตกศิลาแล้วเป็นธรรมันเตวาศิกคือลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาป่าโมกเพื่อประสงค์เรียนศิลปะได้เป็นอุปการะอาจารย์อย่างยิ่งในระบางมานพห้าร้อยคนทำกิจทุกอย่างมีนว่ตาเป็นต้น แต่เพราะเป็นคนโง่จึงไม่สามารถจะเรียนอะไรอะไรได้อาจารย์แม้พยายามด้วยคิดเห็นว่าสิทธิผู้นี้มีอุปการะแกะเรามากเราจะให้เขาศึกษาให้ได้ก็ไม่สามารถให้ศึกษาอะไรอะไรได้เลยเขาอยู่สิ้นกาลนานแม้คาถาเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนได้เขาจึงนึกระอา เลยลาอาจารย์ด้วยคำว่ากระผมจะไปแล้วครับท่านอาจารย์อาจารย์มีความคิดว่าสิทธิคนนี้อุปการะเราเราก็หวังความเป็นบัณฑิตแก่เขาแต่ไม่สามารถจะดำความเป็นบัณฑิตนั้นให้ได้จาเป็นที่จะต้องทำอุปการะตอบแก่สิทธิคนนี้ให้ได้จะพูดมนให้เขาสักบทหนึง่งท่านอาจารย์ จึงนำเขาไปสู่ป่าภูมิมนบทนี้ขึ้นมาคาเตสิคาเตสิกิงกรารนาคาเตสิอาหางปีตังชานามิชานามิาามแปลว่าท่านเพียนไปเถิดเพียนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วดังนี้ได้ให้เขาเรียนทบทวน กลับไปกลับมาหลายร้อยครั้งแล้วถามว่าเธอจำได้อยู่หรือเมื่อเขาตอบว่าผมจำได้แล้วขอรับจึงชี้แจงว่าธรรมดาศิลปะที่คนโง่ทำความพยายามทำไม่คล่องแล้วย่อมไม่เลือนอาจารย์จึงได้ให้สเสบียงเดินทางแล้วสั่งว่าเธอจงไป อาศัยมนี้เลี้ยงชีพเติดแต่เพื่อประโยชน์จะไม่ให้หมน์เลินไปเธอพึงทำการสาธยายมน์นั้นเป็นนิดดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปครั้นเนวลาเขาถึงกรุงพาลาณสีมารดาได้ทำสักการะและสัมมาณะใหญ่ด้วยดีใจว่าบุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแล้วในการนั้น พระชา้าบราณาสีทรงพิจารณาว่าโทษบางประการในพระกรรมทั้งหลายมีกยายการรมเป็นต้นของเรามีอยู่หรือหนอไม่ได้ทรงเห็นกรรมอะไรอะไรอันไม่เป็นที่ป่าพระไทยของพระองค์จึงทรงดำริว่าธรรมดาโทษของตนหาปรากฏแก่ตนไม่แต่ย่อมปรากฏแก่คนอื่นเราจะกำหนด ความเป็นไปจากพวกชาวเมืองดังนี้แล้วจึงทรงปลอมตัวเสด็จออกไปในเวลาเย็นมีความนิมริว่าธรรมดาการสนทนาปราศัยของพวกมนุษย์ผู้นั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็นย่อมมีประการต่างๆกันถ้าเราครองราชโดยอาธรรมชนทั้งหลายคงจะพูดกันว่าพวกเราตูกพระชาแผ่นดินผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ผู้ชั่วช้าเบียดเบียนด้วยสินหมและปลีเป็นต้นก็ถ้าเรากรองราดโดยธรรมชนทั้งหลายจะกล่าวคำเป็นต้นบ้าขอพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายจงทรงพระชนอยู่เถิดแล้วก็จะสรรเสริญกุลของเราดังนี้แล้วพระองค์จึงเสด็จเที่ยวไปตามลำดับฝาเรือนนั้นๆในขณะนั้ น, น, น, นพวกโจนผู้หากินทางกุดมอง กำลังขุดปโมงคในระหว่างเรือนสองหลังเพื่อทําการเข้าเรือนทั้งสองโดยอุโมงค์เดียวกันปราชาตดาวเนตรเห็นพวกมันแล้วได้ทรงแอบซุ่มอยู่ในเงาเรือนในเวลาที่พวกมันขุดอุโมง์เข้าเรือนได้แล้วตรวจดูสิ่งของมานกผู้นั้นตื่นขึ้นแล้วก็สาตยายหมุนนั้น แล้วกล่าวว่าคเตสิคเตสิกิงกรรนาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิาามแปลว่าเพียนไปเถิดเพียนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วเมื่อพวกโจร น, นั้นได้ฟังคํานั้นแล้วก็ตกใจกลัวทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่งเสีย นีไปโดยซึ่งซึ่งหน้าตีเดียวด้วยบอกกันว่าในยะว่าเจ้าคนนี้รู้จักพวกเรามันจะให้พวกเราหายนะนันะเสียบัดนี้พระราชาตอปรเนตเห็นโจรเหล่านั้นกำลังหนีไปได้ได้ตรัสสดับเสียงมานบนอกนี้สาธยายมนอยู่ทรงกำหนดความเป็นไปของพวกชาวเมืองได้แล้วจึงเสนจ เข้าพระราชนิเวศและเมื่อราตรีสว่างแล้วพอเช้าตรู่ก็รับสั่งเรียกบุุษคนหนึ่งมาเฝ้าแล้วตรัสว่าพระนายเธอจงไปพวกโจรกุุโมงในเรือนชื่อโ น, น้นในถ น, นนอนนในเรือนหลังนั้นมีมานบเรียนศิลปะมาแล้วจากเมืองตกัศลากลนหนึ่งเธอจงนำเขามา พระราชบุตรคนนั้นจึงไปบอกกับมานพบนั้นว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งหาท่านแล้วก็นำตัวมานพบนั้นมาลาดับนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพ่อเธอเป็นมานพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตะกัศิลาอย่างนั้นรึพระเจ้าข้าพระอาญาไม่พ้นข้าวพระราชาเจ้าให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิด มานพดีหลาพรเชาคา่าขอโรงประทับบนอาศนะที่เสมอกันแล้วเรียนเติดดลำดับนั้นพระราชาทรงทาอย่างนั้นทรงเรียนมนนั้นกับเขาแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งด้วยตรัสว่านี้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่านในการนั้นเสนาบดีพูดกับนายภูสามาลาคือช่างตัดผม ของพระชาแผ่นดินว่าแกจะตัดแต่งพระมัสสุคือหนวดของในหลวงเมื่อไหรา่เมื่อในปูษามาลาคือช่างตัดผมกล่าวว่าพรุ่งนี้หรือมมื่นนี้นี่แหละเซนาบดีจึงให้รัพันหนึ่งแกเขาและพูดว่าข้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อช่างตัดผมถามว่ากิจอะไรหรือนาย เสนาบดีจึงบอกว่าแก่ต้องทำเป็นเหมือนจะทำการตัดแต่งหนวดคือพระมัสสุ ข, ของนายหลวงสะบัดมีดโกนให้คมกริบตัดก้านพระศอคือก้านคอเสียแล้วข้าจะเป็นพระเจ้าเป็นดินและจะให้เจ้าเป็นเสนาบดีเขาจึงรับคำว่าได้แล้วในวันตัดแต่งหนวดถวายนายหลวง เขานำน้ำหอมสะสงพระมัตสุคือหนวดให้เปียกสะบัดมีดโกนชับที่บนสุดตั้งแต่หน้าผากโดยคิดว่ามีดโกนมีคมไร้ไปหน่อยหนึ่งเราควรตัดก้านพระศอคือก้านคอโดยฉับเดียวเท่านั้นนั่นนี้แล้วจึงยืนสะบัดมีดโกนที่ส่วนข้างหนึ่งอีก ในขณะนั้นพระราชาทรงระลึกถึงมนของพระองค์ได้จึงทรงทำการสาธยายตรัสว่าคัตเตสิคตเตศิกิงกรณาคตเตสิหังปิตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าท่านเพียนไปเถิดเพียนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่เรารู้อยู่ดยงนี้ ในที่นั้นเหงื่อไหลโสมจากหน้าผากของนายภูษามาลาแล้วเขามีความเข้าใจว่าในหลวงจะทรงทราบความข้อนี้จึงกลัวแล้วจึงโยนมีดโกนทิ้งเสียที่แผ่นดินหมาะ ก, กราบลงแทบระบาดธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนี้ว่าเฮ้ย ให้ผู้สามาลาใจร้ายมึงเข้าใจว่าพระพเจ้าแผ่นดินไม่รู้มึงหรือนายผู้ามาลาขอพระองค์โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระงองค์เถิดพระเจ้าพระราชาช่างเถิะ อ, อย่า ก, กลัวเลยบอกมาเถิดนายผู้สามาลาพระโชก้าเสนาบดีให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์บอกว่าแกรร่จงทำทีเป็นแต่งพระมัทสุ คือหนวดของในหลวงแล้วตัดก้านพระศอคือตัดข้านคอเสียเมื่อพระองค์สวรรคตรแล้วข้าจะเป็นพระชาปนดินแล้วตั้งให้แกเป็นเสนาบดีพระราชาทรงสดับคำข้อนั้นแล้วมีความดารีว่าเราได้ชีวิตเพราะอาศัยอาจารย์ดังนี้แล้วจึงตรัสสั่งให้หาเสนาบดีมาเฝ้าแล้วตรัสว่า เสนาบดีผู้เจริญชื่อว่าอะไรที่เธอไม่ได้แล้วจากสำนักของฉันบัดนี้ฉันไม่อาจจะดูเธอได้เธอจงออกไปจากแว่นแคว้นของฉันจึงรับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้นแล้วก็รับสั่งให้มานพผู้อาจารย์มาเฝ้าแล้วลับว่าท่านอาจารย์ข้าพระเช้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านแต่นี้แล้ว ทรงธรรมสักการะใหญ่ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์นั่นแล้วมานพในครั้งนั้นได้เป็นจุฬปันโตกพระาศาสดาเป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกพระาศาสดาครั้นทรงนำมดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าพิกษุท์ทั้งหลายแม้ในการก่อนจุฬปันโกก็โง่อย่างนี้เหมือนกัน แม้ในกาลนั้นเราก็ได้เป็นที่พึ่งอำนักของเธอยังเธอให้ตั้งอยู่ในโลกยะสาบแล้วในวันรุ่งขึ้นเมื่อการสนทนาตั้งขึ้นว่าน่าสรรเสริญพระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งอำนักของพระจุลปันธุกแล้วได้ตรัสเล่าอดีตในจุลเศรษฐีชาดกแล้วตรัสกรานิว่า ผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ย่อมตั้งตนได้ด้วยตุนทรัพย์แม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นในนี้แล้วได้ตรัสว่าพิกษุ์ทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งผ่ำนักของจุลาบันดกนี้เฉพาะแต่ในบัดนี้หาไม่ได้ถึงในกาลก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งผ่ำนัก แล้วเหมือนกันแต่ว่าในการกร่อนเราได้ทำจุลปันตกนี้ให้เป็นเจ้าของโลกิยาทรัพย์บัดนี้ทาไม่เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์นั่นี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลกันเตวาสิกแม้ในครั้งนั้นได้เป็นจุลปันตกในบัดนี้ส่วนจุลเศรษฐีผู้ฉลาดเฉียบแหลม เข้าใจพยากรณ์ น, นักษัตว์ในครั้งนั้นคือเรานั้นเองอีกวันหนึ่งเมื่อพิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุจุลาบรรทุกไม่สามารถเรียนคาถาสีบทโดยสี่เดือนได้ก็ไม่สละความเพียรตั้งอยู่ในอาราถแล้วบัดนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตระธรรมแล้วพระศาสดา สเสด็จมาประทามว่าภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชี้นี้พระชจ้าขาจึงตรัสขึ้นมาภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาของเราปราลบความเปลี่ยนแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโล ก, กุตรธรรมที่เดียวดานี้แล้ว จึงตรัสพระคถานิว่าผู้มีปัญญาพึงทำเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกบาลีว่าอุทธาเนนับปะมาเทนะสัญญเมนะทาเมนะจะทีปังกยิราตะเมตาวี ยังโอโคโนาภิกิรติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทีปังกายิราตะแปลว่าพึงทเกาะหมายความว่าผู้มีปัญญาพระกอบร้อมแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมพึงทาคือพึงกระทาได้แก่อาจรมก็คืออาราตผล อันเป็นที่พึ่งบำนักของตนในสาครอนคือสงสารอันลึกโดยความเป็นที่พึ่งอันได้ยากนี้ด้วยธรรมอันเป็นเหตุสีประการเหล่านี้คือด้วยความหมันกล่าวคือความเพียรหนึ่งด้วยความไม่ประมาทกลาวคือความไม่อยู่ปราศจากสติหนึ่งด้วยความระวังกล่าวคือปาริสุดทธิศีลสีส่หนึ่ง ด้วยความฝึกอินทรีหนึ่งถามว่าพึงทำเกาะเช่นไรแกว่ายังโอโคโนาภิกกิรติแปลว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้าท่วมทับไม่ได้อธิบายความว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้าคือกิเลสทั้งสี่อย่างไม่สามารถจะท่วมทับคือกาจัดได้แต่จริงพระอรหันต อนโอคะไม่สามารถท่วมทับได้เลยในเวลาจบคาถาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วแหละเรื่องจุลปันโกเทระจบนิทานประกอบเรื่องของพระจุลปันโกเทระเรื่องจุล มหาเศรษฐีชาดกจุลเกษติชาตกะในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตกรองราชสมบัติในเมืองบาลณสีในแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีเสเรนไหวแล้วได้รับตําแหน่งเศรษฐีได้ชื่อว่าจุละกะเศรษฐีจุละกะเศรษฐีนั้น เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิต ท, ทั้งปวงวันหนึ่งระหว่างทางที่จุลากาศเศรษฐีนั้นจะไปเฝ้าพระราชาเห็นหนูตายในระหว่างถนนคำนวณดวงดาวและฤกิกในขณะนั้นแล้วก็กล่าวขึ้นว่ากุลบุตรผู้มีปัญญาอาจจะเอาหนูตายตัวนี้ไปทำการเลี้ยงดูภรยา และประกอบการงานได้มีกุลบุตรผู้ยากไรค้คนหนึ่งชื่อจุละกันเตวาสิกได้ฟังคำของเศรษฐีนั้นแล้วคิดว่าท่านเศรษฐีผูน้นี้ถ้าไม่รู้จริงก็จะไม่พูดดังนั้นเขาจึงเอาหนูไปขายในตลาดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นอาหารแมวได้รับกากรนิกหนึ่ง จึงซื้ออ้อยด้วยซับหนึ่งกากรนิกนั้นแล้วเอาหม้อใบหนึ่งตักน้ําไปเขาเห็นพวกช่างดอกไม้มาจากป่าจึงให้ชิ้นอ้อยคนละหน่อยหนึ่งแล้วให้ดื่มน้ํากระบวยหนึ่งพวกช่างดอกไม้เหล่านั้นได้ให้ดอกไม้คนละกับมือแก่เขาแม้ในวันรุ่งขึ้นเขาเข้าค่าดอกไม้นั้น ซื้ออ้อยและน้ำดื่มหม้อหนึ่งไปยังสวนดอกไม้ทีเดียวหัวช่างดอกไม้ได้ให้กอดอกไม้ที่เก็บไปแล้วครึ่งกอแกเขาในวันนั้นแล้วก็ไปไม่นานนักเขาก็ได้เงินแดกะหาปะนะด้วยวิธีการนี้ในวันที่ลมพายุฝนวันหนึ่งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เป็นอันมาก ในพระราชอุทยานถูกลมพัดตกลงมาคนเฝ้าอุทยานไม่เห็นวิธีที่จะทิ้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เหล่านั้นนายจุลกันเตวารสิกจึงเข้าไปในพระราชอุทยานนั้นแล้วกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่าถ้าท่านจะให้ไม้และใบไม้เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะานาของทั้งหมด ออกไปจากสวนของท่านนี้คนเป้าอุทยานนั้นรับคำว่าเอาใบทนยจูละกันเดวาสิกจึงไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆให้อ้อยแก่เด็กเหล่านั้นแล้วให้ขนไม้และใบไม้ทั้งหมดออกไปโดยเวลาครู่เดียวแล้วให้กองว้ที่ประตูอุทยานในการนั้นช่างหม้อหลวง เที่ยวหาฟืนเพื่อเผาภาชนะดินของหลวงเห็นไม้และใบไม้เหล่านั้นที่ประตูตยานจึงซื้อเอาจากจุลกันเตวาสิกนั้นวันนั้นจุลกันเตวาสิกได้ทรัพย์16กหาปณะนะและภาชนะห้าอย่างมีตุ่มเป็นต้นด้วยการขายไม้เมื่อมีทรัพย์24ก่าหาปณะนะ จูละกันเตวาสิงนั้นจึงคิดว่าเรามีวิธีนี้จึงได้ตั้งตุ่มน้ำดื่มตุ่มหนึ่งไว้ในที่ไม่ไกลประตูพระนคกกรบริการคนหาบยาห้าร้อยคนด้วยน้ำดื่มคนหาบยาเหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีอุปการะมากแก่พวกเราพวกเราจะกระทาอะไรแก่ท่านได้บ้าง จุลกันเตวาสิ์นั้นถึงกล่าวว่าเมื่อเรามีเรื่องจะขอให้ท่านช่วยก็จะขอให้ท่านช่วยเราด้วยนี้แล้วก็เที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้ําความสนิทสนมไว้กับเราผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและขนส่งทางน้ำเราผู้ทางานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกได้บอกกับจุลกันเตวาสิกนั้นว่า พรุ่งนี้พ่อค้ามา้าจะพาม้าห้าร้อยตัวมาอย่างนคร น, น, นี้ในจุฬาเกณฑเตวาสิกนั้นได้ฟังดังนั้นแล้วจึงไปติดต่อกับพวกคนหาบหญ้าว่าวันนี้ท่านจงให้หญ้าแก่เราคนละ ร, รมและเมื่อเรายังไม่ได้บอกขายหญ้าท่านทั้งหลายอย่าขายหญ้าของตนของตนคนหาบหญ้าเหล่านั้นรับ คำดังนั้นแล้วก็นํหญ้า500กรัมมาลงที่ประตูบ้านของจูละกันเ ต, เตบาสิกนั้นพ่อค้าม้านั้นไม่สามารถหาหญ้าสำหรับม้าของตนได้เนื่องจากไปถามพวกคนเกี่ยวย่าก็ไม่มีใครขายหญ้าให้พ่อคาม้าเหล่านั้นจึงไม่ได้อาหารสำหรับม้าในพระนครทั้งสิน้นจึงต้องซื้อหญ้า จากจูละกันเตวาสิกนั้นในราคา1000ันแล้วเอาย่าวนั้นไปแต่นั้นล่วงไป 2-3 ถึงวันสหายผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางน้าบอกกับจุละกันเตวาสิกนั้นว่าเรือใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วจูละกันเตวาสิกนั้นจึงมีความคิดว่าเรามีวิธีนี้ เขาจึงเอาเงินแปดกะหาปะนะไปเช่ารถซึ่งเพียบพร้อมด้วยบริวารทั้งปวงแล้วไปยังท่าเรือด้วยทำประการหนึ่งเป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แล้วติดต่อกับนายเรือโดยให้แหวนวงหนึ่งเป็นมัดจำแก่นายเรือแล้วให้กั้นม่านนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลสั่งคนไหว้ไ่าเมื่อพ่อค้าภายนอกมา ท่านจงบอกโดยการบอกประวิงไว้สามครั้งก็เมื่อเราพ่อค้าจากเมืองพันนาสีประมาณร้อยคนทราบว่าเรือมาแล้วจึงมาติดต่อในเรือกล่าวขอซื้อสินค้านเรือจึงกล่าวว่ามีพ่อค้าใหญ่ซึ่งอยู่ที่นั้นที่นั้นได้ให้มัดจำไว้แก่เราเสียแล้วเราขายสินค้าให้ท่านไม่ได้พ่อค้าเหล่านั้น ได้ฟังดังนั้นจึงมายังที่พักของจุลกันเตวาศิกนั้นคนผู้รับใช้ใกล้ชิดจึงบายเบี่ยงปรึงเวลาไว้สามครั้งตามที่จุลกันเตวาศิกสั่งไว้พ่อค้าประมาณร้อยคนนั้นจึงเสนอให้ทรับคนละพันผู้มีหุ้นส่วนเรือกับจุลกันเตวาศิกนั้นแล้วจากนั้นพ่อค้า จึงเสนอให้อีกคนละพันเพื่อให้จุลกันเตวาสิกขายหุ้นในส่วนของเขาเพื่อให้สินค้าทั้งหมดเป็นของพ่อขานั้นจุลกันเตวาสิกถือเอาทรัพย์สองแสนกรับมาเมืองปาราณสีคิดว่าเราควรเป็นคนกตัญยูจึงให้ถือเอาทรัพย์แสนหนึ่งไปยังที่อาศัยของจุละกะเศรษฐี ลำแบบนันจุลกะเศรษฐีจึงถามจุลกนเตวาสิกนั้นว่ารูก่อนท่านเธอทำอะไรจึงได้ทรัพย์นี้จุลกนเตวาศิกนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำตามวิธีที่ท่านกล่าวจึงได้ทรัพย์ภายในสี่เดือนเท่านั้นแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่หนูตายเป็นต้นไปท่านจุลมะหาเศรษฐี ได้ฟังคำของจุลกันเตวาสิกนั้นแล้วจึงคิดว่าปับันนี้เราควรผูกมานพนี้ให้อยู่กับเราจึงควรจึงยกทิดาของตนให้กับจุลกันเตวาสิกเมื่อเศรษฐีร่วงรับไปแล้วจุลกันเตวาสิกนั้นได้ํำรงตำแหน่งเศรษฐีในนักก่อนนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรม พระศาสดาตรัสเรื่องนี้แล้วทรงตรัสพระคถานี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นประจักษ์ยอมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้เล็กน้อยดุดบุคคลก่อไฟอันน้อยให้ปล่ขึ้นได้ฉะนั้นแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลกันเตวาศิ ก, การนั้นได้เป็นจุลปันตก ในบัดนี้ส่วนจุนละกะมาเศรษฐีในการนั้นได้เป็นเรานี่แหละจุลเศรษฐีชาดก